วิธีถือนิสัยภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิกพึงถืออาจารย์อย่างนี้อันเตวัสิกนั้นพึงห่มอุตราสวสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเทา้านั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพาเจ้าเถิดข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่ท่านผู้เจริญท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพาเจ้าเถิดข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่ท่านผู้เจริญ ท่านจงเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักอาศัยท่านอยู่อาจารย์ให้อันเตวาสิ์รู้ด้วยกายให้รู้ด้วยวาจาหรือให้รู้ด้วยกายและวาจาว่าดีละว่าเบาใจละว่าชอบแก่อุบายละว่าสมควรละหรือว่าจงประพฤติปฏิบัติให้หน่าเลื่อมใสอาจารย์ชื่อว่าเป็นผู้ที่อันเตวาสิคถือแล้ว อาจารย์ไม่ให้อันเตวสิกรู้ด้วยกายไม่ให้รู้ด้วยวาจารหรือไม่ให้รู้ด้วยกายและวาจาอาจารย์เป็นผู้ที่อันเตวสิกยังไม่ได้ถือ